ตอนนี้ไปก็ให้พึ่งพากันตั้งใจสำรวมใจของตนให้ดีการประพฤติธรรมในพุทธศาสนานี่เรียกว่าเราประพฤติเพื่อละความยึดมั่นถือมั่นพระศาสดาก็ทรงสอน ในทานองนี้เหมือนกันเนี่ยความมุ่งหมายแห่งคำสอนของพระองค์มันมามีอยู่ตรงนี้ตรงให้ละความยึดมั่นถือมั่นนี่นะนนเริ่มตั้งแต่การให้ทานนี่ลองพิสูจนดูก็ได้ การให้ทานนี่ถ้าใครยังไปยึดมั่นถือมั่นในวัตถุทานเสียดายอะไรอยู่อย่างนี้นี่มันก็ให้ทานไม่ได้เลยเออถ้าใจนี่สละออกไปได้แล้วไม่เสียดายไม่อะไรันแล้วนี่ให้ทานได้เลยเออนี่ลองลองสังเกตดูสิคำสอนของพระ อ, องค์ เ, ออเป็นการสอนเพื่อให้ละความถือมั่น ความยึดมั่นถือมั่นนี่นะมันพาให้เที่ยวเกิดเที่ยวตายอยู่ในโลกอันนี้ไม่ดูจากจบจากสิน้นวันนี้ถ้าไปยึดมั่นถือมั่นอยู่ในบาปมันนี่นั่นเอบาปมันก็พาไปสู่นระกอับมายภูมินั่ น, นออพระพุทธเจ้าทรงสอนให้สังวรระวังในสัตว์ทั้งหลายอย่าไปเบียดเบียนกันอย่างนี้ มันก็ไม่ฟังมันก็ไปยึดเอาความพอใจในการเบียดเบียนสัตว์นั้นเป็นอารมณ์อยู่ยนี่นะนก็สร้างบาปสร้างกรรมใส่ตัวเองไม่รู้ว่ากี่เท่าไรแนละ้วบาปกรรมมันมันสะสมไว้ในใจนะั้นเป็นอย่างนี้โทษแห่งความยึดมัน่นถือมั่นในทางชั่วอันนี้นะ แม่ความยึดมั่นถือมั่นในเรื่องชั่วอื่นๆก็เหมือนกันนะมันก็ล้วนจะเป็นทางไปสู่ทุกข์ทั้งนั้นเลยจ่คนเรานี่มันหากไม่ได้ใช้ปัญญาพิจารณาให้เห็นโทษแห่งกรรมชั่วเหล่านั้นด้วยปัญญาของตนเองเหตุดังนั้นมันถึงละไม่ได้ มันถึงลากความยึดมั่นถือมั่นนั่นไม่ได้ผู้ที่ละได้ก็ น, นึงจากว่ามาพิจารณาเห็นแจ่มแจ้งในใจของตนแท้ๆถ้าขืนยึดเรื่องชั่วยอย่างนี้ไว้ตนก็จะพ้นทุกข์ไปไม่ได้เลยวันนี้มันก็นึกเบื่อทกภายในสงสารคนมีปัญญานะอันคนขาดปัญญาแล้วมันไม่เบื่อไม่รู้จักเบื่อ เพราะมันติดเยื่อล่อเหยื่อลอก็คือความยินดีพอใจในรูปในเสียงในกลิ่นในรสในเครื่องสัมผัสต่างๆอันเป็นทีน่ารักใคร่พอใจต่างๆอันนี้แหละมันมันยินดีอยู่ในรูปเป็นต้นดังกล่าวมานี่เพราะเหตุ น, นั้นมันจึงไม่เห็นทุกข์เห็นภัยในสงสารนี่มันสำคัญว่า เมื่อได้รูปได้เสียงเป็นต้นมาครอบครองแล้วตนก็มีความสุขสบายก็เลยนิ่งนอนใจอยู่นั่นเนี่ไม่ได้พิจารณาให้เห็นว่าไอ้สิ่งที่ตนได้มานะั้นมันเที่ยงหรือไม่เที่ยงมันจะอำนวยความสุขให้อย่างนี้ตลอดไปหรือว่ามันหรือมันจะมีความทุกข์เป็นระยะเป็นระหว่างไปมันไม่ได้คิดได้ตรองให้ละเอยะถี่ถ้วนกัะคนเรานะเป็นอย่างนั้น มีตะกม้มหน้าบริโภคไปเรื่อยๆไปอย่างนั้นแหละดังนั้นคนเรามันถึงพ้นทุกข์ไปไม่ได้เพราะมันไปยึดถือเอาของไม่เที่ยงมาเป็นที่อาศัยของกิจใจอยู่เสมอไปวันนี้เมื่อละโลกนี้ไปแล้วกรรมนั่นมันก็นำไปให้เกิดอาศัยอยู่กับของไม่เที่ยงเหมือนเดิมแนละ้วอีก ไปอย่างนั้นเมื่อไวอาศัยอยู่ของไม่เที่ยงแล้วมันก็เป็นทุกข์มันก็เดือดร้อนไปเพราะของเหล่านั้นวิบัติแปรปรวนไปมันเป็นอยู่อย่างนี้แหละคนเรานะให้พากันคิดให้ดีแล้วเราล่ะเราจะเป็นอย่างนั้นตลอดไปหรือไงต้องถามตัวเองดูเรายังจะหลงเยื่อรออันนั้นอยู่เรื่อยไปหรือ ในเมื่อเราได้มาพบพระพุทธศาสนาอันประเสริฐอย่างนี้แล้วพระพุทธเจ้าทรงชี้หนทางออกจากทุกข์ให้แล้วทรงสอนอย่าไปให้อย่าไปยึดมั่นถือมัน่นในสิ่งที่มันเป็นไปเพื่อทุกข์เพื่อโทษต่างๆให้หัดปล่อยหัดวางแต่แล้วบุคคลไม่ ย, ยอม ฝึกขัดจิตแจ้งตนให้ปล่อยให้วางตามที่พระองค์เจ้าทรงแนะนำสั่งสอนเช่นนี้แล้วมันจะพ้นทุกข์ได้อย่างไรนั่นต้องคิดดูให้ดีเมื่อมันยึดมัน่นถือมั่นไปพอๆแล้วมันให้ไปทาบาปเรื่องมันนี่แหละมันยึดมั่นด้วยอำนาจแห่งอวิชชาความไม่รู้นั่นเอง ไม่รู้ว่าทําอย่างนี้พูดอย่างนี้มันเป็นบาปเป็นโทษเป็นกรรมเป็นเวรไม่รู้นี่ยแหละมันจึงทําไปโดยไม่สะทกสะท้านเลยคนส่วนมากนะมกักจะคิดเห็นไปว่าเมื่อทําชั่วอะไรลงไปแล้วนี่มันเฉยเฉยไปมันไม่เห็นว่าให้ผลเป็นทุกข์เดือร้อนอะไร เมื่อเข้าใจอย่างนั้นแล้วก็เลยนึกว่ามันมันจะไม่มีผลตามสนองให้เป็นทุกข์หรือร้อนอะไรในการต่อไปเพราะว่าตนทาอยู่ในปัจจุบันนี้มันก็ไม่เห็นมันเดือดร้อนอะไรมันก็เหมือนเดิมอยู่อันนี้แหละอยากแกย้ำแล้วย้ำอีกไอ้ความรู้ความเห็นอันนี้นะมันทำให้คนเราหลงจริงๆนะนั่นแหละ ถ้ารู้ว่าเออนี่ความเป็นอยู่ของเราในปัจจุบันนี่มันอาศัยบุญเก่าที่เราทํามาแต่ก่อนนั้นมาหล่อเลี้ยงรักษาไว้อยู่ออแ ม, ม้ว่าบุคคลคนนั้นจะทําความชั่วอะไรลงไปด้วยกายวาจาเช่นนี้นะกรรมชั่วที่เขาทํานั้นยังไม่มีโอกาสที่จะให้ผลได้ในปัจจุบันนะเพราะว่าบุญกรรมที่ทํามาแต่ก่อนนั้นมันยังให้ผลอยู่ มันจะไปลบล้างกันไม่ได้เออมันเป็นอย่างนั้นเรื่องมันนะ <c oughs> มันต้องเรียนรู้ต้องให้เข้าใจเหตุปัจจัยของชีวิตตามความเป็นจริงดังกล่าวมานี่ผู <c oughs> ้ดใดเข้าใจอย่างนี้แล้วนั่นแหละมันถึงจะไม่กล้าทำความชั่วด้วยกายด้วยวาจาต่อไปเพราะว่าถ้าบุคคลใดทำกรรมชั่วลงไปแล้วอย่างนี้นะ ถ้าไม่รู้สึกตัวว่าทนทำกรรมชั่วไม่ยอมละยังพอใจทำต่อไปเรื่อยๆอย่างนี้เนะี่ยแน่นอนแหละบาปกรรมันนั่นมันก็ตามสะกดรอยไปเรื่อยๆมันหาได้หนีจากผู้นั้นไม่พอบุญกรรมเก่าที่ผู้นั้นทำมาแต่ก่อนนั้นมันหมดอายุลงกรรมใหม่นี่ก็ให้ผลสืบต่อได้เลยแบบนี้หัน ผู้นั้นก็จะต้องได้ประสบกับความทุกข์ต่อไปแล้ะเพราะกรรมชั่วที่ตัวทำนั่นหละมันคอยตามสะกดรอย แ, แต่ถ้าหากว่าผู้ใดทำความดีไว้มากๆกลัวความความชั่วอย่างนี้เวลาจวนจะตายมันก็นึกถึงความดีได้ได้ก่อนความดีมาปรากฏในใจ ตายไปมันก็เป็เสวยผลแห่งบุญกุศลความดีนั่นก่อนไอ้คำชั่วที่ผู้นั้นทำนั่นอย่าไปนึกว่ามันสูญหายไปมันก็คอยเวลาอยู่นั่นแหละขอกรมดีของผู้นั้นหมดลงไปเมื่อใดคำชั่วนั้นมันก็ให้ผลเมื่อนั้นในตำราท่านยังกล่าวไว้อยู่ว่าเทวดาบางตนอยู่ไปอยู่ไป พอหมดอายุสังขารลงเลยดิ่งลงไปสู่นรกเลยทีเดียวก็มีอ อ, อันนี้เพราะอะไรตอนนั้นแหละเพราะบาป ก, กรรมที่ผู้นั้นทำเนะ่ยมันตามสะกดรอยเลื่อยไปออพอว่าบุญกรรมที่ผู้นั้น ท, าทํามาแต่ก่อนมันหมดอายุลงแนละ้วแม่จะเป็นเทวดาอยู่ก็ไม่ไหวแล้ววันนี้ออ กรรมชั่วนะั้นมันก็สุดข้าพาลงไปสู่นรกได้เลย <c oughs> มันเป็นอย่างนี้ชีวิตของบุตุชนคนเรานะ่ะให้พากันสนใจให้มากมากความประสงค์ของพระพุทธเจ้านะ่ะที่ทรงแสดงธรรมสั่งสอนพุทธบริษัททั้งหลายนะความประสงค์เบื้องต้นนี้เพื่อให้พุทธบริษัททั้งหลายได้พิจารณาตัวเอง ที่น้าว่าตนได้ทําบาปกามอะไรบ้างอืตามที่พระพุทธเจ้าทรงแสดงว่าทําอย่างนั้นเป็นบาปพูดอย่างนั้นเป็นบาปอย่างนี้วะที่ล่วงแล้วมาตนได้ทําบาปอย่างไรบ้างทบทวนดูเมื่อรู้ว่าตนได้ทําบาปอย่างนั้นอย่างนั้นมาจริงอย่างนี้นะแล้วก็ไปปฏิญญาณตนต่อพระเจ้าพระสงฆ์ไป ว่าต่อนี้ไปจะไม่ทำอย่างนั้นจะไม่พูดอย่างนั้นอีกต่อไปแล้วหรือถ้าหากว่าไม่ได้ไปสมทานต่อหน้าพระเจ้าพระสงฆ์ก็อธิษฐานใจเอาเองก็ได้แต่เมื่ออธิษฐานใจเอาเองแล้วก็ต้องรักษาความสัตย์จริงใจอันนั้นไปให้ได้สํารวมไปตามที่ตนตั้งใจไว้นั้นตลอดไป ถ้าทำได้อย่างนี้บาปอันเป็นละหุกรรมคือกรรมเบานั้นมันก็เป็นอาโหสิกรรมไปได้มันจะไม่ตามไปสนองอเพราะว่าพระพุทธเจ้าทรงสอนให้ละกรรมชั่วนั้นแสดงว่ากรรมชั่วนี่ถ้าไม่ใช่กรรมหนักแล้วละให้ขาดได้ละได้ถ้าว่าละไม่ได้แล้วพระองค์เจ้าจะไม่สอน ให้พุทธบริษัททางหลายละ ก, กำชั่วนั้นเลยนี่ต้องพิจารณาดูให้ดีแม้ความดีก็เหมือนกันนะถ้าบุคคลไม่สามารถที่จะทําให้เกิดให้มีได้พระองค์ก็จะไม่แนะนําสั่งสอนให้ทําความดีเลยจุดประสงค์ของพระองค์ก็เพื่อที่จะให้ผู้ฟังนั้นละความชั่วเสียให้หมดเลยให้รวบรวมกําลังกายกําลังวาจากาลังใจ ทำเอาแต่ความดีล้วนๆ น, นี่เลยไปจนตลอดชีวิตลุ่มหลงอนี้เมื่อบุคคลทำได้อย่างว่านี่ลนวะก็เป็นอันว่าบาปกรรมความชั่วที่ลุ่มหลงทำมาแต่ก่อนนั้นซึ่งเป็นเพียงแค่ละหูกรรมคือกรรมเบานั้นมันจะตามไม่ทันนเนี่ยมันจะไม่ให้ผลต่อไปก็เป็นอาโหสิกรรมไป นี่แหละขอให้พากันพิจารณาให้ดีคำสอนของบุตธเจ้านะอย่าไปละเลยเพียงแต่ขั้นต้นๆ น, นี่คนทั้งหลายก็ยังจะไม่รู้แจ้งซ้ำนะอย่าว่าแต่ขั้นสูงขึ้นไปเลยในเรื่องคำดีคำชั่วนี่นะอย่าไปเข้าใจว่าเป็นเรื่องกล้วยๆนะเป็นยาปากคอกนะถ้าใครรู้แจ้งในเรื่องกรำดีกรำชั่วนี่แล้ว ผู้นั้นก็ละบาปได้โดยเด็ดขาดเลยแล้วก็ตั้งหน้าทําแต่ความดีเรื่อยไปจนตลอดชีวิตนู่นเลยเหมือนอย่างเช่นพระโสดาบันอย่างที่เคยพูดให้ฟังมาบ่อยๆนะอันนั้นท่านรู้แจ้งในความดีและความชั่วนี่แหละด้วยปัญญาอันยิ่งอืเมื่อท่านรู้แจ้งแล้วท่านยังละความชั่วนั้นได้ขาดไปเลย ถอนรากของบาปกรรมเหลนั้นออกจากจิตใจให้หมดไปเลยต่อจากนั้นท่านก็ตั้งหน้าทำแต่ความดีไปอบรมอินทรีย์ให้แก่กล้าขึ้นไปเรื่อยๆแต่บางท่านบางคนก็เลยได้บรรลุมรรคผลขั้นสูงขึ้นไปอีกก่อนที่จะหมดอายุสังขารไปก็มีแต่บางท่านบางคนก็ไม่สามารถบรรลุ มกขนขั้นสูงขึ้นต่อไปได้ก็หมดอายุสังขารไปก็มีสุคติเป็นที่ไป <c oughs> ก็อย่างนี้แหละชีวิตของคนเรานะมันเนื่องอยู่ด้วยบุญเลด้วยบาปเนื่องอยู่ด้วยการกระทำอันบุคคลจะเป็นสุขหรือเป็นทุกข์มันขึ้นอยู่กับการกระทำของตัวเอง นี่ก็เคยพูดมาบ่อยๆเลยแต่ผู้ฟังนั้นไม่ทราบเลยจะเห็นตามหรือไม่เห็นตามก็ไม่รู้นั่นแหละ <c oughs> แต่สำหรับผู้พูดแล้วเชื่อร้อยเปอร์เซนเลยเชื่อคำสอนของพระพุทธเจา้าสองข้อนี้ร้อยเปอร์เซนเลยเพราะฉะนั้นจึง พยายามสำมรวมระวังตนเรื่อยมาไม่ไปทำความชั่วทำแต่ความดีเรื่อยมาอันคนเรานะั้มันหลงอยู่แต่ในความรักกับความชังนี่นะอันนี้แหละเป็นต้นต่ออันสำคัญมากหลงกันอยู่หลาย อันจะทำบาปทำกรรมอนไรกับพ่อความรักกับความชังนี่นหะเพราะมันละกิเลสสองตัวนี่ไม่ได้มันถึงได้ทำบาปคนเรานะอา้าเป็นผู้ครองเลือนรักลูกรักเมียอย่างนี้อา้าวก็ไปทำบาปมาเลี้ยงลูกเลี้ยงเมียถ้าไม่ทำบาปเอาูกเมียก็ว่าเอาแม่พ่อตาแม่ยายก็ว่าเอา เราก็จำเป็นบาปก็จำเป็นต้องได้ทำบาปถ้าไม่ทำอย่างนี้เพื่อนก็ว่าเอานั่นเรียกว่าตั้งอยู่ในพยาคติมีลำเอียงไปด้วยความกลัวกลัวคนอื่นว่าเอาแล้วก็ทำบาปก็เพราะความรักนั่นเป็นมูลเหตุถ้าไม่ไปรักลูกสาวเขาอย่างนั้นมันก็ไม่ได้ไปทำบาปเช่นนั้น <c oughs> แม่ความรักอื่นๆก็เหมือนกันเลยเมื่อหากว่ารักเกินขอบเขตไปแล้วมันก็ทำบาปแน่นอนทีเดียวความชังก็เหมือนกันนะเมื่อมันชังเกินขอบเขตแล้วมันก็ทำบาปไปได้ดังนั้นให้พากันเห็นโทษแห่งกิเลสสองกองนี้ให้ได้ ต้องพยายามขจัดมันออกไปจา ก, กจิตใจด้วยการรักษาศีลให้บริสุทธิ์ด้วยการทำสมาธิภาวนาทำใจให้สงบลงไปี่ด้วยการเจริญปัญญาวิปัสนาให้บังเกิดขึ้นนี่แหละการที่จะละกิเลสสองกองนี่ให้เบาบางออกไปจา ก, กจิตใจได้นะก็เพราะ มาเพียรพยายามละพยายามบำเพ็ญศีลบำเพ็ญสมาธิบำเพ็ญปัญญาให้เกิดขึ้นในดวงกิจนี้เองเนะไม่ใช่อย่างอื่นใดอา น, นบำเพ็ญศีลนั้นมันก็ไปเป็นไปตามเพศตามภูมิหากเป็นฆฤหัตก็ต้องให้มีศีลห้านั่นเป็นนิจศีลไป อย่าไปทำบาปนั่นเลยเป็นสามเณรก็รักษาสินสิบนั้นให้บริสุทธิ์ให้ได้ต้องทบทวนดูข้อสินของตนเสมอไม่เช่นนั้นแล้วมันไปล่วงสินโดยไม่รู้ตัวก็มีนี่ก็เคยเตือนบ่อยๆนะพวกสามเณรทั้งหลายนะต้องให้เอาใจใส่จริงๆไม่เช่นนั้นแล้วก็จะพ้นทุกข์ไปไม่ได้ เป็นพระภิกษุสงก็เหมือนกันก็ต้องมันทบทวนอยู่เสมอเสมอแหละความประพฤติของตนมันตรงต่อพระวินัยหรือไม่หรือมันไปพลาดพังตรงไหนสิกขาบทใดอย่างนี้นะก็ต้องให้รู้ไม่ใช่ว่าอยู่เรื่อยไปอย่างนั้นแล้วไม่คำนึงเลย ว่าตนได้บวชเป็นพระมาแล้วก็นึกว่าเป็นพระหรือไปใช่อย่างนั้นนะจะเป็นพระอยู่ได้ก็เพราะสำรวมในวินัยต้องนึกอย่างนั้นถ้าไม่สำรวมในวินัยอยู่แล้วจะเป็นพระไปไม่ได้เลยเมื่อมีศีลดีเมื่อมีศีลบริสุทธิ์การบำเพ็ญสมาธิภาวนา ม, มันก็เป็นไปได้ง่ายทำใจให้สงบได้ง่าย เพราะว่ามันไม่มีบาปมารบ ก, กวนการที่จิตใจฟุ้งซ่านเลื่อนลอยสงบลงไม่ได้นะั้นแสดงว่ามันมีบาปมารบ ก, กวน ม, ม, ม, มันมีบาปอย่างใดอย่างหนึ่งนั่นแหละแต่เจ้าตัวไม่รู้ดังนั้นทุกคนเมื่อภาวนาไปแนละ้วทำยังไงใจมันก็ไม่ลงอย่างนี้มันต้องทบทวนดูความระพฤติ ว่าตอนนั้นได้ประพฤติผิดอย่างไงบ้างอได้เผลออย่างไรบ้างถ้าไม่ได้ร่วงสึกษาบทวินัยอย่างนี้มันก็เกี่ยวกับใจวะนี้ใจไปยึดไปถืออารมณ์ที่เป็นอดีตนน่นมาอย่างไรอย่างหนึ่งไวเช่นไปยึดเอาอารมณ์ที่น่าเกลียดน่าชังมาบางทีนะ ที่ก็ไปยึดอารมณ์ที่น่ารักน่าใคร่มามันถึงจิตใจนี่มันถึงไม่ยอมสงบลงได้ก็ต้องทบทวนดูให้รู้เมื่อรู้ว่าจิตมันยึดมันถือมันในอารมณ์ใดเรารู้ชัดๆเลยเราก็กำหนดละอารมณ์อนั้นลงไปเมื่ออารมณ์นั้นดับลงจิตก็รวมลงได้สงบลงได้มันก็เป็นอย่างนั้นแลย ถ้าเราจับมูลเหตุไม่ได้อย่างนี้นะมันก็ไม่รู้ว่าจะไปกาหนดละอะไรบันนี้อ ม, มันจับมูลเหตุไม่ได้นี่ดังนั้นนะข้อสําคัญจึงว่ามันอยู่ที่นี่นะเ<ฮ>มื่อใจมาสงบบางคนก็มาบน่นโอ้ทอํายังไงใจก็สงบไม่ได้ไม่ทราบเป็นเพราะอะไรเนี่ยนี่ ก็จะไปวิตกสงสัยทำไหมมันต้องมีมูลเหตุแหละที่ใจไม่สงบนั้นนะทบทวนดูเลยเมื่อทบทวนแล้วมันต้องเห็นต้องรู้ถ้าว่าใจนี้นะไม่ไปยึดพันถือมั่นในอารมณ์ใะไหนึ่งที่เป็นอดีตล่วงมาแล้วก็ดีหรือว่าอารมณ์ที่เป็นอนาคตที่ยังไม่ได้ไปถึงก็ดี ใจไม่ไปยึดไปถือเอาเลยท้อารมณ์ทั้งสองอย่างนี่นะมันไม่ลําบากอะไรแล้วพอมานั่งสมาธิเข้าไปน้อมสติน้อมลมกําหนดลมหายใจเข้าออกเข้าไปจิตมันก็ค่อยรวมลงรวมลงไปเลยพอมันไม่มันไม่วิตกไปถึงอารมณ์ใดๆนี่ไม่ได้ยึดมั่นถือมั่นในอารมณ์ใดๆไว้ในอดีตอนาคตนะดังนั้นพอน้อมลงไปมันก็ส ง, งบลงไปได้ นี่แหละพูดถึงความยึดมั่นถือมั่นมันก็เป็นขั้นเป็นตอนไปอย่างนี้ให้พากันเข้าใจละความยึดมั่นในขั้นห ย, ยาบๆนั่นมาแล้วผนยังมามายึดมั่นในขั้นกลางนี้อีกในอารมณ์อันกลางๆอันนี้เข้าไปก็ใจก็สงบลงไม่ได้เป็นอย่างนั้นอันนั้นเราต้องเพียรพยายามละลงให้ได้ <c oughs> อย่า อย่าปล่อยให้มันยึดมั่นถือมั่นไปนานคันปล่อยให้มันยึดมั่นถือมั่นไปนานแล้วยิ่งร้ายใหญ่ยิ่งแก้ไม่ตก hmm. นั่นแหละผู้ที่บวชเข้ามาในพุทธศาสนานี่อยู่ไม่ได้ซึกออกไป hmm. ก็เพราะว่าใจไปยึดมั่นในอารมณ์ภายนอกนั่นไม่รู้จักปล่อยไม่รู้จักวางเลย hmm. ยึดมั่นถือมั่นไว้อย่างเหนียวแน่นแล้วก็อยู่ไม่ได้แล้ว hmm. ประพิดผมาจันไปไม่ได้แม่ผู้อยู่ครองเลือนก็เหมือนกันเลยเมื่อไปยึดมั่นถือมัน่นอารมณ์ภายนอกมากเข้าไปก็อย่างที่ว่ามาแล้วนั่นแหละมันก็เป็นเหตุให้ไปทำบาปนั่นแหละอย่างใดอย่างหนึ่งมีฆ่าสัตว์เป็นต้นถ้าว่าบุคคลมาพ้าเพียรพยายามละความยึดมั่นถือมั่นในใจนี่ ลงไปเสียึดมันอารมณ์ที่เป็นบาปเป็นโทษต่างๆนั้นนะออพยายามละมันออกไปอย่างนี้นะมันก็ไม่ได้ทําบาปจริงๆนะพอใจละความอยากต่างๆดังกล่าวมานั่นได้แล้วมันก็ไม่อยากแล้ววะนี้่ในที่มันเคยอยากมาแต่ก่อนนะมันก็ไม่อยากอื <Ừ. S 1> เส้นดื่มเหล้าอย่างนี้นะพอใจมันออกได้แล้วอย่างนี้มันไม่อยากแล้ววะนี้อืม ต่อไปมันก็ไม่อยากแล้วเล่านะั่นนะถ้าใจมันออกไม่ได้มันยังยึดถือรสชาติของเรานนั้นอยู่นี่มันออกไม่ได้เลยมันต้องไปหาดื่มให้ได้เนี่ยพูดถึงความยึดมั่นถือมั่นในวันนี้นะให้พึ่งพากันสันนิษฐานดูให้ดีโทษแทนความยึดมั่นถือมั่นอันนี้มันมีอวิชชาความไม่รู้ประกอบเข้าไปด้วย เงินไม่รู้จักคิดไม่รู้จักวิจารณ์ความยึดมั่นของตัวเองตนยึดมั่นความชั่วไว้ก็คิดไม่เห็นพิจารณาไม่ได้มันถึงละไม่ได้เรื่องมันนะเนื่องจากว่าอาวิชชาความไม่รู้น่ะมันครอบงาจิตใจทีนี้ผู้ที่ได้ยินได้ฟังคำสองทวดเจ้าได้ฟังอุบายธรรมะที่ท่านแสดงให้ฟังแล้ว มานนี้จำอุบายเหล่านี้ไปสอนใจตัวเองเข้าไปให้มันเกิดความรู้ความฉลาดขึ้นมาอาวิชามันก็ดับไปเมื่ อ, อวิชาดับไปแล้วมันก็เห็นโทษแห่งความยึดมั่นถือมันในความชั่วเหล่านั้นก็สามารถละบาปอากุศลต่างๆเหล่านั้นได้เมื่อละบาปอากุศลเหล่านั้นได้แล้วภาวนาจิตใจสงบลงไป พอมาพิจารณาเห็นโทษแห่งความยึดมั่นในขันห้าว่าเป็นตัวเป็นตนต่อไปความยึดมั่นถือมั่นในขันห้าว่าเป็นตัวเป็นตนนี่มันเป็นบ่อเกิดของกิเลสทุกประเภทเลยทีเดียวกิเลสทุกอย่างมันเป็นเหตุให้เกิดทุกทางนั้นก็ต้องสอนตัวเองเข้าไปอย่างนี้คนเรานะ่ ไม่สอนใจตัวเองอย่างนี้มันก็ไม่เห็นโทษของกิเลสเรื่องมันนะเอาเห็นมันเป็นทุกข์ยังไงกิเลสเออมันเป็นทุกข์เกาะจะไปยากอะไรเล่ามันเนี่ยคนรู้อำนาจเยความรักมันก็ไปครองเรือนมีผัวมีเมียเมื่อมีผัวมีเมียมาแล้วมันก็เป็นเหตุให้สร้างบ้านสร้างเรือนทามาหาเรื่องชีพ นักเอาเบาสู้อะไรต่ออะไรจีปาถานั่นมันนั่นไม่ใช่ความทุกข์หรือนั่นไม่ใช่เป็นทุกข์เพราะความรักหรือมันจะยากอะไรถ้าพิจารณามันนะไม่ยากสักหน่อยแต่คนมันไม่มันไม่พิจารณาเรื่องมันเหตุที่มันจะไม่เบื่อไม่ไ่าผู้ที่ท่านพิจารณาเห็นอย่างว่านี่นะท่านถึงเบื่อหน่จึงไม่คร อ, องเลือนเลย ความชังก็เหมือนกันเมื่อมันเกลียดมันชังมันยึดมั่นในความโกรธความชังไว้ในใจแล้วอย่างนี้อ่ใครทําอะไรไม่ถูกใจมันก็ฉุนเสียวขึ้นมาเลยนี่มันก็หาทางทะเลาะวิวาดกับคนนั้นแหละอถ้าเป็นผัวเป็นเมียกันก็เอาทะเลาะวิวาดกันในระหว่างผัวละเมียแหละเพราะมันยึดมั่นในความชัง ใครก็ไม่ยอมใครใครก็ไม่ยอมละความเกลียดความชังอันนั้นเช่นนีล้ละเอาที่สุดก็เลยต้องอย่าร่างกันไปลูกกับพ่อกับแม่ก็เหมือนกันญาติพี่น้องกับญาติพี่น้องก็เหมือนกันเนี่ยหรือคนอื่นก็เหมือนกันที่มูลเหตุที่ใหญ่ทะเลาะวิวาดแตกสามัคคีกันได้ก็ต่างคนต่างยึดมั่นอยู่ในความเกลียดความชัง ไม่ยอมลักไม่ยอมถอนเนี่ยนั่นเช่นนั้นแนะ่ะมันจึงเป็นเหตุไทยทะเลาะวิวาทกันไปไม่รู้จบรู้สิ้นคนเรานะต้องเห็นโทษในความหลงเมื่อตอนหลงมานับชาตินับพบไม่ทวนแล้วหลงมายึดมั่นอยู่ในขันทางห้าอันเป็นของไม่เที่ยงไม่ยังยืนเนี่ยไม่รู้ว่ากี่ชาติกี่พบมาแล้วแหละที่ร่วงแล้วมาเราระลึกชาติถ น, นหลังไม่ได้ มันถึงได้มาเกิดอาศัยอยู่ในขันห้านี่ในปัจจุบันนี่แหละคือหมายหมายเอาดวงขีดนี่นะมันมาอาศัยอยู่ขันห่านี่อีกก็เพราะว่ามันยึดมั่นถือมั่นมาแต่ก่อนนู่นความยึดมั่นถือมั่นเป็นตัวกรรมนำดวงขีดนี่ให้มาเกิดอยู่ในขันห้านี้อีกอย่างนี้แหละ เลียกว่ามันหลงสําคัญว่าขันห้าเป็นตัวเป็นตนเป็นเราเป็นเขาอยู่อย่างนี้อ่ดังนั้นนะมันถึงได้เป็นทุกข์ไม่รู้จักจบจากสิ้นเมื่อมาภาวนาเห็นแจ้งในขันห้าตามเป็นจริงแล้วปล่อยวางแล้วก็รวมจิตลงให้สงบอยู่ในปัจจุบันเห็นแจ้งในใจอยู่เสมอว่าขันห้าอันนี้ไม่ใช่ตัวตนเราเขาอะไร เป็นแต่สภาวธรรมอาศัยกันอยู่เมื่อหมดเหตุหมดปัจจัยแล้วมันก็แตกก็ดับไปเท่านั้นเองทำความรู้ความเห็นอันนี้ให้เสมอไปอย่างนี้นะนี่แหละเป็นทางคนจากทุกข์ภายในสังสารดังแสดงมาสมควรแก่เวลาขอยุดติลงเพียงเท่านี้